ได้อ่านทบทวนได้ฟังทบทวนบ่อยๆนะในพุทธวจนะก้าวย่างอย่างพุทธะนะฟังทบทวนเรื่อยๆศึกษาทบทวนเรื่อยๆก็จะเป็นเหตุให้เราได้ความเข้าใจในอันในธรรมมากขึ้นมากขึ้นเพราะคำพระตถาคตนั้นยิ่งศึกษายิ่งทบทวนนะ เราก็จะได้ความลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นและถ้าได้นำไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นเหตุให้จิตของเราหลุดพ้นจากอสวรได้เพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วก็ขอให้ได้ทำหน้าที่อย่างที่3มต่อไปก็คือขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆั้นแก่ชนทั้งหลาย เพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมุญรากสืบทอดกันต่อไปคำของพระาศาสดาของเราจะได้ดำรงคงอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปชั่วกลานาน